ตอ น, นพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงเมืองกบิลพัทแล้วเนาะตอนที่พระองค์ไปที่เมืองกบิลพัทเนี่ยนะพระญาติทั้งหลายโดยมากก็ไม่ไม่ทำความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะอ้างว่าตัวเองนี้เป็นพี่ตัวเองนี้เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นนารุ่นอารุ่นยายรุ่นปู่รุ่นยา่าพันธุ์ก็มองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือพระสิทธะนั้นเป็นหลานเราเป็นลูกเราเป็นเหลนเรา ก็เลยกระด้างด้วยความกระด้างแห่งมานะเมื่อกระด้างด้วยความกระด้างแห่งมานะเพราะไม่รู้จักพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ถือเอาการเกิดเนี่ยเป็นประมาณถือเอาปฏิสนธิเป็นประมาณว่าพี่หรือน้องถือกันที่ปฏิสนธิแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ถือความเป็นพี่เป็นน้องที่ปฏิสนธิแต่ถือที่ที่ไหน ถือที่การตรัสรู้ถือที่คุณธรรมถือที่การบำเพ็ญบารมีการสร้างบารมีเป็นต้นนั้นข้อความทวนย้อนในหน้าสี่พุทธวงว่าภาพปุญญาญาตเหล่านี้พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดในนรชนเนี่ยเป็นเช่นไรกำลังริศและกำลังปัญญาของพระองค์เป็นเช่นไรกำลังของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกเป็นเช่นไร และพระ อ, องค์ก็ดำริต่อไปว่าพระประยุรยา่าเหล่านี้พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ไม่รู้ดอกว่าพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดในนรชนนี้เป็นเช่นนี้กําลังฤิษณ์และ ก, กําลังปัญญาเป็นเช่นนี้กําลังของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกเป็นเช่นนี้เอาเถิดเราจะแสดงกําลังของพระพุทธเจ้าอันยอดเยี่ยมจากเนรมิตที่จงกรมประดับด้วยรัตนะในนภาการ เทวดาภาคพื้นดินเทวดาชั้นจาตุมมหาราชเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานราดีชั้นปารนิมมิตาวสวัตดีทั้งเทวดานับเนื่องในหมู่พรมต่างก็พากันร่าเริงทำเสียงกึกก้องอย่างเต็มที่คือพอพระองค์ทำเนรมิตรัรตนจงกรมขึ้นเท่านั้นแหละเทวดาก็ร่าเริงคำว่าเทวดารวมทั้งพรมด้วย แผ่นดินมนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็สว่างจ้าโลกันตริกนรกอันหนาก็ปิดกั้นเอาไว้ไม่ได้ความมืดก็ได้ถูกขจัดออกไปปกตินี้โลกาตรีกนรกนี่มืดมิดแสงสว่างด้วยพุทธานุภาพก็สว่างสวัยเรียกว่าสว่างถึงโลกันตรนรกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดามนุษย์ทั้งสัตว์นรกต่างก็เห็นปาฏิหาริย์อันนะ่าอัศจรรย์ถึงปีติปรามโมทย์อย่างยิ่งนะเห็นพุทธานุภาพ ศรัทธาก็เกิดขึ้นปีติก็เกิดขึ้นจิตใจก็ผ่องใสพาการเอิบอิ่มใจที่ได้เห็นพระพุทธคุณเนี่ยนะแสงสว่างอันโอฬารไพ่บูรณ์ก็เกิดขึ้นในโลกนี้พร้อมทั้งเทวดาคนทันมนุษย์รากสดและในโลกอื่นทั้งสองทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําทั้งเบื้องขวางกว้างออกไปพระศาสดาผู้สูงสุดในสัตว์ผู้ยอดเยี่ยมผู้นำพิเศษได้เป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ผู้มีอนุภาพมากมีบุญยลักษณะนับร้อยทรงแสดงปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์นะปาฏิหาริย์อันนั้นก็คือยมกะปาฏิหารินั่นเองในสมาคมนั้นพระชินะพุทธเจ้ า, าศาสดาเหาะขึ้นไปบนพื้นน า, ากาศทรงนรมิศสิเนรุบรรพศอันน่าเรื่นรมเป็นที่จงกรมเทวดาในเหมือนโลกธาตุก็นอบน้อมพระตถาคตในสำนักของพระชินะเจ้าพากันทำพุทธบูชา พระองค์ผู้มีพระจักรสุสูงสุดในนรชนผู้นำโลกอันเทวดาผู้ประเสริฐทูลวอนแล้วทรงพิจารณาเห็นประโยชน์ในครั้งนั้นจึงทรงเริ่อนเนรมิต ท, ที่จงกรมอันประดับด้วยรัตนะทั้งหมดสำเร็จลงด้วยดีพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นำโลกเป็นผู้ชำนาญในปาฏิหารสามคืออิทธิ ป, ปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหารและอนุสาสนีปาฏิหาร จึงทรงเนรมิตที่จงกรมอันประดับด้วยรัตนะทั้งหมดสำเร็จลงด้วยดีทรงแสดงยอดสินเนรุบรรพศในเหมือนโลกธาตุเป็นประหนึ่งเสาซึ่งตั้งอยู่เรียงกันเป็นรัตนะจงกรมที่จงกรมสำเร็จด้วยรัตนะพระจินเจ้าทรงเนรมิตที่จงกรมเหลื่อมล้ําเหมือนโลกธาตุที่ทั้งสองข้างพื้นที่เป็นทองทั้งหมดณรัตนะจงกรมไพทีทองล้วนปูด้วยแผ่นกระดานทอง เวียนไปตามจัทนทร์ทั้งสองข้างรัตนจงกรมที่เนรมิตเกลื่อนกลาดไปด้วยสายแก้วมณีทายที่ทำด้วยแก้วมณีหรือว่าทายแก้วมุกดาส่องสว่างไปทุกทิศเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นณที่จงกรมนั้นพระชนะสัมพุทธเจ้าจอมปราดผู้มีพระมหาปุริยลักษณะสสองรุ่งโรดอยู่เสด็จจงกรมเหนือที่จงกรม เทวดาทั้งหมดมาประชุมกันปโปรยดอกมณทารพดอกปทุมดอกปริชัดอันเป็นทิพยลงณที่จงกรมมูเทพหมื่นโลกาธาตุมาประชุมกันเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นต่างก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจมอบลงนมัสการเทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตเทพชั้นนิมมานารดีเทพชั้นปริมิต ว, วัสวัตดีเห็นพระผู้นำโลกก็พากันดีใจ มีจิตเบิกบานนาคสุบันหรือแม้กินนอนพร้อมทั้งเทวดาคนทันมนุษย์และรากสดพากันชมพระองค์เหมือนชมจันที่ขึ้นโคจรในท้องนภากาศพร้อมชั้นอาภัสระชั้นสุภกินหะชั้นเวหั พ, พละและชั้นอกคนิทะพากันทรงผ้าขาวสะอาดยืนประคองอัญชลีโปรยดอกมณฑารบห้าสี ผสมจุนจันทรโบกผ้าณพื้นอัมพรในครั้งนั้นโดยแปลงอุทานว่าโอพระชินาเจ้าผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกพระองค์เป็นพระาศาสดาเป็นยอดเป็นธงเป็นหลักเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นประทีปของสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าเทวดาผู้มีมหิตริิตในหมื่นโลกธาตุต่างยินดีร่าเริงบันเทิงใจพากันห้อมล้อมนมัส ก, การ เทพบุตรเทพพธิดาเลื่อมใสมีใจยินดีแล้วก็พากันบูชาพระนราสพะด้วยดอกไม้ห้าสีหมู่เทพเห็นพระองค์ก็เลื่อมใสมีจิตใจยินดีพากันบูชาพระนราสพะด้วยดอกไม้ห้าสีโอ้ความอัศจรรย์ในโลกไม่เคยมีหน้าคนลุกชูชันความอัศจรรย์หน้าคนลุกขนชันเช่นนี้เราไม่เคยเห็น เทวดาเหล่านั้นต่างนั่งอยู่ณพบของตนของตนเห็นอัศจรรย์ในท้องฟ้าก็พากันยินดีร่าเริงใหญ่เทวดาที่อยู่ในอากาศที่อยู่บนภาคพื้นดินอาศัยอยู่ที่หญ้าและดาวประกายพรึกก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจพากันประคองอัญเชลีนมัสการเหล่านาคที่อายุยืนมีบุญมีฤทธิ์มากก็พากันบันเทิงใจนมัสการบูชาพระผู้สูงสุดในนรชน เพราะเห็นความอัศจรรย์ในท้องฟ้าสังขีตะทั้งหลายก็บริเลงกลองหุ้มหนังทั้งหลายก็พากันประโคมในอัมพรณภากาศเพราะเห็นความอัศจรรย์ในท้องฟ้าสังบันเดาะและโมโหระทึกทั้งหลายก็พากันบรเลงในกลางหาวแปลงอุทานว่าวันนี้อาการขนลุกขนชันที่ไม่เคยมีก็เกิดขึ้นแล้วเราจะได้สำเร็จประโยชน์แน่แล้วเราได้ขณะกันแล้ว เทวดาวนี่ก็ดีใจว่างานเนี้ยได้ดีแน่เพราะว่าจะบรรลุมรรคผลกับเขาก็คราวนี้แหละคล้ายๆแบบนั้นนะเพราะได้ยินว่าพุโทโธเทพเหล่านั้นก็เกิดปีติขึ้นในทันทีต่างพากันยืนประคองอัญชลีกล่าวว่าพุโทโธพุทโธนะดูพระพุทธเจ้าออไปก็บอกพุโทโธพุทโธคือเห็นพระพุทธคุณทั้งอิทธิปาฏิหารเห็นหลายๆอย่างเนี่ยนะคือคําว่าพุโทโธแบบเทวดา ทั้งหลายเนี่ยเขาพูดโทแบบรู้พระคุณเนี่ยนะก็แต่ก็ดีกว่าคำอื่นทั้งหมดอ่ะนะถ้าใครไม่มีคำไหนจริงๆให้นึกเธอพุโทโธพุโทโธเนี่ยเป็นคำที่เพราะที่สุดเป็นคำที่ผู้สั่งสมบุญมานานกว่าจะได้มีชื่อเช่นนี้มูเทพต่างๆในท้องฟ้าก็พากันประคองอัญชิีเปล่งเสียงเเสียงสาธุเสียงโหเอิกเอิงลิงโลดใจเนี่ยนะคือปีติปราบเริ่มมาก ขับกล่อมประสานเสียงบรรเลงปรบมือและฟ้อนรำพลางโปรยดอกมณฑารบห้าสีผสมด้วยจุนจันแปลงวาจาว่าข้าแต่พระมหาวีระด้วยประการหลายเล่าจากลักษณะที่พระยุคลบาทของพระองค์ประดับด้วยธงชัยวัชิระธงปตากเครื่องแต่งพระองค์และขอช้างพระองค์ไม่มีผู้เสมอเหมือนในพระรู ป, ปกายในในสรีระคุณนะน พระองค์ไม่มีผู้เสมอเหมือนในศีลสมาธิปัญญาและวิมุตตพระพุทธเจ้าเสมอกับพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอในการประกาศพระธรรมจักรกำลังพญาช้างสิบตระกูลเป็นกำลังปกติในพระกายของพระองค์พระองค์ไม่มีผู้เสมอด้วยกำลังพระวรรธในการประกาศพระธรรมจักรท่านทั้งหลายจงน้ำการพระผู้เข้าถึงพระคุณทุกอย่าง ผู้พ ร, พร้อมไปด้วยองคุณครบถ้วนผู้เป็นพระมหามุนีมีพระกรุณาเป็นนาถะของโลกพระองควรซึ่งการกราบการชมการไหว้การสันเสริญการนอบน้อมและการบูชาทุกอย่างเพราะว่าในจำนวนบุคคลผู้ควรแก่การสักการะไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นการกราบการชมการไหวการสรรเสริญการนอบน้อมหรือด้วยอ ม, มิตรบูชาหรือการปฏิบัติบูบชาพระองค์นี้เป็นผู้สมควรทั้งนั้นเลยพระพุทองค์เป็นพระอรหันต์พิเศษอยงนั้นข้าแต่พระมหาวีระชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งอันเขาควรไหว้ในโลกคนเหล่าใดควรกราบไหว้พระองค์ทรงเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งคนเหล่านั้นทั้งหมดผู้เสมอเหมือนพระองค์ไม่มี ในบรรดาผู้ควรกราบควรไหว้ถ้าจะกราบถ้าจะไหว้ถ้าจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดเนี่ยนะส่วนข้อความตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ไปดูในอัธกถาซึ่งอธิบายพิสดารมากเนี่ยนะข้อความโดยลำดับในหน้าแปดสิบแปดเนี่ยนะหน้าแปดสิบแปดที่อธิบายว่า พระญาติพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์เนี่ยไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นยอดคนเนี่ยเป็นเช่นไรมีกำลังริษกำลังปัญญาเช่นใดกำลังของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกเป็นเช่นใดเทวดาและมนุษย์ไม่รู้นี่นะอธิบายว่าเพราะเหตุที่เทวดาและมนุษย์มีพระญาติเป็นต้นของเราเหล่านั้นเมื่อเราไม่ทาให้แจ่มแจ้งซึ่งกาลังของพระพุทธเจ้า และกำลังฤทธิ์พระญาติก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้กำลังฤทธิ์ของพระองค์เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเราจะพึงแสดงกำลังของพระพุทธเจ้าและกำลังฤทธิ์ของเรานะก็ทันที่บอกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้เนี่ยก็คือพวกทั้งเทวดาทั้งมนุษย์นะรวมทั้งพระญาติทั้งหลายมีพระเจ้าสุดโทธนะเป็นต้นญาติเหล่านั้นเทวดามนุษย์เหล่านั้นไม่รู้กำลังของพระพุทธเจ้าทีนี้คําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพุทโธ ข้างล่างบอกว่าพุทโธเนี่ยพระพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธะเพราะตรัสรู้หรือว่ารู้ตามซึ่งสัจจะสี่พุทธะนี้หมายถึงการตรัสรู้หรือเด่นพิเศษก็คือรู้อริยสัจสีจึงชื่อว่าพุทธะพุทธะเนี่ยมันเป็นศัพ์เดิมเนี่ยนะพุทธะก็ถ้าใส่วิพัตลงไปก็จะเป็นพุทโธพุทธะพุทเธพุทเทนะพุทเธหิพุทเทพิพุทธายะเป็นต้นเนี่ยก็จะกลายไปเป็นรูปศัพท์แบบนั้นทั้นพุทธะนี่เป็นรากศัพท์เดิม ทัา น, นพุทโธนั้นหมายถึงว่าตรัสรู้หรือตรัสรู้ตามสัจจะสี่เนี่ยนะพุทธะหมายถึงความตรัสรู้นั่นเองอย่างที่พระองค์ตรัสว่าอภินยยังอภิญญาตังพาเวตัพันจะพาวิตังปหาตัปพังปหี่นางเมตสมาพุทโธสมิบ ร, รมณะพระองค์ก็ตรัสกับเสลพราวว่าพรามสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเราก็รู้ยิ่งแล้ว สิ่งที่ควรเจริญเราก็เจริญแล้วสิ่งที่ควรละเราก็ละแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้านะพราหมณ์พระองค์ก็บอกก็คือมีน้อยสูตรมากที่บอกว่ายืนยันเลยว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็คือเสรลพราหมณ์ให้เขาสงสัยในพระพุทธคุณมากพระองค์ก็เลยบอกว่าสิ่งใดที่ควรรู้ยิ่งสิ่งเหล่านั้นทั้งปวงพระองค์ก็รู้ยิ่งแล้วคําว่ารู้ยิ่งเนี่ยก็คือรู้อะไรก็รู้เช่นตามแนวอภินญญาณิเทศนั่นแหละ เช่นว่าจะา ค, ควรรู้ยิ่งเป็นต้นหรือสัจจะสี่เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งในบรรดาสัจจะสี่ที่ควรรู้ยิ่งโดยแง่มุมใดๆโดยประการใดๆที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ยิ่งไม่มีขณะเดียวกันคุณธรรมที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญแล้ว น, นะตั้งแต่อะไรกายคตาสติสหรคตด้วยความสํารานสมถาวิปัสนาสมาธิสามสติปัฏฐานสสมาธิอันประกอบไปด้วยองค์ห้าอนุสติหกโพชชงเจดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดความเพียรอันเป็นที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์เหรือแม้กระทั่งกสิณายตนาสิบคุณธรรมเหล่านี้พระองค์เจริญหมดแล้วพันพระคุณใดที่ควรแก่การเจริญคุณธรรมเหล่าใดที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญคุณธรรมเหล่านั้นเสร็จสิ้นแล้ว แล้วสิ่งที่ควรละทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอสศมิมาณฑนะอวิชชาภวะตันหาตันหาสามโอคะสี่นิวรห้าตันหากายะหกอนุสัยเจ็ดมิ ช, ชะตะแปดตันหาเป็นมูลเก้ามิ ช, ชะตะสิบสังโยชิสิบทิฏฐิหกสิบสองเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นพระองค์ก็ละเสร็จหมดแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะต้องละอีกแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นพุทธพุทธเจ้าเพราะรู้ยิ่ง อีกในหนึ่งก็บอกว่าชื่อว่ารู้ยิ่งซึ่งทุกขสัจจะเจริญมัคสัจจะละสมุทัยสัจจะธรรมะที่จะทําให้เจริญเต็มที่หรือว่าละได้เสร็จก็อาศัยพระนิพพานมันก็เท่ากับแสดงว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะรู้ซึ่งสัจธรรมทั้งสี่จึงชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าพันพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าผู้ตรัสรู้เป็นกรตจุ ก, การักเนี่ยนะอีกในหนึ่งถ้าเป็น บอกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์ผู้บรรลุคุณวิเศษรู้กันอย่างนี้หรือทราบกันอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธะอันนี้กรรมกัรกระก็คือความเป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้สําเร็จถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือความรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีอยู่เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นชื่อว่าพุทธะอธิบายว่าผู้ทรงมีความรู้ นะครับเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ศัพท์ก็ตามคัมภีร์สับเนี่ยนะสั พ, พาสตร์ก็ไปรเรียนไวยากรณ์มือนกันถ้าจะรู้โดยละเอียดว่าเป็นกตัตุกรกะกัมมกรกะเป็นต้นเนี่ยนะอยู่ในกรารกะใดอันนี้ทวนย้อนที่ว่าพระญาตทั้งหลายเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้รอกว่าพระพุทธเจ้าผู้รู้อริยสัจสี่ด้วยลำพังโดยถูกต้องโดยพระองค์เองเนี่ยเป็นเช่นไร เป็นเช่นไรก็คือคุณธรรมภาวะของพระองค์นี่เป็นอย่างไรหน้าเห็นอย่างไรพระองค์นี่เสมือนอะไรมีผิวอย่างไรมีสวดทรงอย่างไรยาวหรือสั้นเช่นใดก็ไม่รู้และไม่รู้รอกพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดน่นะนรุตตะโมก็คือนระอุตมะเนี่ยนะนระก็คือคนผู้สูงสุดในหมู่คนเรียกว่านารุตตมะความสูงสุดความล้ำเลิศความประพฤติประเสริฐสุดแห่งนรชนหรือในนรชนทั้งหลายจึงเชื่อว่า นรุตมะผู้สูงสุดในหมู่นรชนก็คือในบรรดาชนทั้งหลายคนคทั้งหลายพระพุทธเจ้าเลิ่ที่สุดในหมู่คนที่บอกว่าไม่รู้รอกว่ากําลังฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรใครบ้างเนารู้จักกําลังฤทธิ์ของพระองค์ได้ว่าเป็นเช่นไรตอนแรกเขบอกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นสูงสุดในหมู่คนเนี่ยสูงสุดอย่างไรเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รู้กําลังฤทธิ์และกําลังปัญญาของพระองค์เป็นเช่นไรสัตว์ทั้งหลายก็ไม่รู้ คำว่าฤทธ์แปลว่าอะไรฤทธ์เนี่ยนะฤทธิฤทธิภาษาไทยใช้คําว่าฤทธิบาลีมาจากคําว่าอิทธิเนี่ยนะอิทธินี่แปลว่าคุณธรรมที่ทําให้ประสบความสําเร็จหรือคุณเครื่องที่ทําให้สําเร็จเรียกว่าอิทธิสิ่งที่ทําให้เกิดความสําเร็จขึ้นสัตว์ทั้งหลายสําเร็จด้วยคุณชาตินั้นคือเป็นผู้สําเร็จจําเริญสูงยิ่งเหตุนั้นคุณชาตินั้นชื่อว่าอิทธิคุณธรรมที่ เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จน่ะนะเลยเรียกว่าอิทธิอิทธิตามปฏิสัมพิธามรักมี10อย่างฤทธิสอย่างหนึ่งอธิฐานฤทธิสองวิกุปปนาอิทธิฤทธิเนี่ยนะสมโนโมยาอิทธิหรืออิทธิฤทธิเนี่ยนะานวิพาราอิทธิหรือห้าสมาธิวิพาราอิทธิ 6. อริยอิทธิ 7. กรร ม, มวิปากาชาอิทธิ 8. ปุญญวตโตอิทธิ9 วิชาเมยาอิทิสิบสุดท้ายก็บอกว่าชื่อว่าอิทิเพราะสําเร็จเพราะประกอบโดยชอบในกิจกรรมนั้นๆเป็นปัจจัยก็ว่าทําถูกวิธีก็เป็นฤทธิชนิดหนึ่งเหมือนกันคือว่าประกอบถูกต้องทําถูกหลักเนี่ยนะจนสําเร็จได้ก็ชื่อว่าเป็นฤทธิอธิบายตามลําดับเนี่ยนะว่าฤทธิข้อที่แรกเนี่ยนะอธิฐานฤทธิเนี่ยนะอธิฐานอิทธิเนี่ยโดยปกติแล้วคนเดียวย่อมนึก เป็นคนมากหรือว่านึกเป็นร้อยคนเป็นพันคนแล้วอธิษฐานด้วยญาณว่าเราพึงเป็นมากคนฤทธิที่แยกตัวแสดงอย่างนี้ชื่อว่าอธิษฐานาอิทธิเพราะสําเร็จด้วยการอธิษฐานพออธิษฐานตั๊บก็ค้าๆก็ว่าขยายได้เลยอธิษฐานนาฤทธนั้นมีรายละเอียดดังนี้ว่าภิกษุนั้นจะต้องเข้าจตุทชานก่อนจตุทชาญที่เป็นบาดของอภิญญาออกจากจตุทชาญ น, นั้นแล้วถ้าปรารถนาเป็นร้อยคนก็ทําการบริกรรมด้วย จิตที่เป็นการมาวจรคือปรารถนาว่าเราเป็นร้อยคนเราเป็นร้อยคนเนี่ยนะคือว่าเข้าฌานก่อนออกจากฌานแล้วก็อธิษฐานพออธิษฐานเสร็จก็เข้าฌานใหม่ออกจากฌานแล้วก็นึกอธิษฐานอีกก็จะเป็นร้อยคนพร้อมกับการอธิษฐานนั่นเองกรณีนี้จะอธิษฐานเป็นพันคนเป็นต้นก็ได้แต่ต้องได้ฌานสี่เนี่ยนะต้องได้ฌานสี่ที่เป็นฌานที่เป็นบาตของฤทธ ในอธิษฐานฤอริษ น, นจิต ท, ที่ประกอบด้วยปาทกะชานมีนิมิตเป็นอารมณ์คือมีกสินนิมิตเป็นอารมณ์เนี่ยนะส่วนบริกรรมจิตมีร้อยคนเป็นอารมณ์บ้างมีคนเป็นอารมณ์เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์บ้างบริกรรมจิตนั่นแลเป็นจิตไปด้วยอํานาจแห่งสีไม่ได้เป็นไปด้วยอํานาจแห่งบัญญัติอันนี้ก็ขยายในลักษณะเชิงอภิธรรมนิดนึงว่า รูปาวจรจิตที่เป็นบาทแห่งอภิญญาต้องมีบัญญัติเป็นอารมณ์อย่างเดียวเพราะว่าปัญจมะฌานต้องมีบัญญัติเป็นอารมณ์ส่วนกามาวจรจิตที่อธิษฐานให้เป็นร้อยคนพันคนก็อธิษฐานให้มีสีก็คือนึกถึงสีเป็นอารมณ์นั่นเองเพราะเป็นกามาวจรจิตเป็นมหากุศลจิตหรือเป็นกิริยาจิตพันพออธิษฐานอย่างนั้นเสร็จด้วยอธิษฐานในจิตก็จะเป็นก็มีร้อยคนเป็นอารมณ์ อธิษฐานจิตนั้นก็เป็นเหมือนกับอัปนาเกิดขึ้นในลำดับโคตรภูจิตเท่านั้นประกอบด้วยจตุทชาญฝ่ายรูปาวจรแต่ผู้นั้นละเพศปกติเสียอันนี้นีจบเลยนะข้อแรกที่บอกว่ า, วาอธิษฐานอาริที่อธิฐานเป็นร้อยคนพันคนเป็นต้นเนี่ยนะส่วนผู้ใดที่ละเพศปกติแสดงเพศเป็นกุมารบ้างแสดงเพศเป็นนาคบ้างเป็นครุฑบ้าง แสดงกระบวนทาพต่างๆบ้างฤทธิ์ที่มาโดยอาการอย่าง่างที่กล่าวไปแล้วเรียกว่าวิกุปปนาฤทิ์เป็นไปโดยละเพศปกติทำให้แปล ก, แปล ก, แ, ปลกแปลกออกไปยังมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะพระเทวทัตพระเทวทัตนึกว่าเออเนี่ยนะเราเนี่ยไม่มีลาภสการะเหมือนคนอื่นเลยคนอื่นนี่เขาดังกันหมดนะพูดในหนึ่งว่าเขาก็เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงปรากฏกันหมด ทุกคนมีลาบสการะกันหมดใครก็มาเรียกหาว่าพระคุณเจ้าอานน์นอยู่ไหนพระคุณเจ้าอนุรุทธะอยู่ไหนเขาไมา่เรียกหาหมดเลยแต่ไม่มีใครถามหาพระคุณเจ้าเทวทัตยอยู่ไหนรู้สึกแหมมันมันอะไรนะมันกระเทือนใจมากเลยที่ไม่ไ ม, มีเหมือนกับเราไม่อยู่ในนั้นอะ่ะก็ออกบวชพร้อมกันไม่มีใครเอ่ยถึงเราแม้แต่คนเดียวเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นจะทําให้ใครนะเลื่อมใสายเราได้นึกไปเออให้พระเจ้าพิมพ์พิสาเรเลื่อมใสายก็ไม่ได้เพราะเป็นพระโสดาบันไปแล้ว เป็นอริยะไปแล้วคิดไปคิดมาในที่สุดเออพระเจ้ า, าชาตศัตรูนี่แหละยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นกุมารอยู่ฉั้นจะต้องทําให้พระเจ้ า, าชาติศัตรูนี้เลื่อมใสถ้าทําไงดีก็เลยเนรมิตตัวเองเป็นเด็กน้อยเด็กหนุ่มนะนะเด็กน้อยแล้วก็มีงูเนี่ยพันตามตัวเนี่ยต๊บบอกแล้วไปนั่งอยู่บนตักพระเจ้ า, าชาตศัตรูด้วยนะชา้าศัตรูตกใจมากานะเสร็จ แ, แล้วก็เด็กเนี่ยก็บอกว่าท่านกลัวหรือบอกกลัวสิก็เลยจําแรงเป็นพระเทวทัตตามเดิมเลยนะ อันนี้เขาเรียกว่าวิกุพนารติเนี่ยนะแสดงฤตอย่างนี้ได้หลังจากนั้นมาเนี่ยอราชสตรูกูมาเนี่ยเลื่อมใสามากถวายอาหารวันละห้าร้อยที่ท่านแกก็เลือกเขาเรียกว่าตั้งพักได้เลยคันนี้ตั้งพักจากหาพระแบบไหนอย่างที่ตัวเองต้องการก็ได้เอาพระที่นิสัยคล้ายๆกันนะเขาเรียกว่าเป็นไปตามธาตุก็ไปเอาธาตุที่ปรารถนาคล้ายๆกันมาเป็นบริวารเนี่ยห้าร้อยไปฉัน ไปชั้นที่ที่วังของพระเจ้ า, าชาติศัตรูพระเจ้ า, าชาติศัตรูเลื่อมใสามากเนี่ยนะก็อันนี้เรียกว่าแสดงวิกุปภนาอิเทริศเนี่ยนะแสดงฤทธิ์โดยการแปลงเพศเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะแปลงเพศเป็นอย่างอื่นก็สามารถทําได้พวกนี้ก็ต้องมีจตุทชฌานเป็นบาศเหมือนกันนะจะต้องมีฌานสี่เป็นบาศส่วนฤทธิ์ของพระเทวทัศน์เนี่ยตอนหลังก็เสื่อมเพราะว่ามีจิตคิดจะฆ่าพระพุทธเจ้าแค่นั้นแลเสื่อมเลยเนี่ยนะ เพราะว่าพวกฌานเหล่านี้เนี่ยมันพอโทสะเกิดขึ้นเท่านั้นก็หมดละส่วนฤทธิ์อย่างที่สามมโนโมายาอิทธิเนี่ยฤทธิ์ที่สําเร็จด้วยใจนี่นะหรือว่ามโนโมยิทินั่นแหละฤทธิ์ที่มาโดยในเป็นต้นว่าภิกษุในศาสนานี้นิรมิตกายอื่นนอกจากกายนี้มีรูปสําเร็จสําเร็จด้วยใจมีอวัยวะนะ้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเป็นต้นชื่อว่ามโนโมายาอิทธิหรือมโนโมยิทธิเนี่ยนะ เป็นไปด้วยอำนาจความสำเร็จแห่งสรีระสำเร็จมาแต่ใจอันอื่นภายในสรีระนั่นเองอันนี้ก็เช่นใครพระจุระบันทกเนี่ยนะพระจุรบันท ก, นะกนั้นหลังจากที่วันหนึ่งพระพี่ชายเนี่ยนะเอามาบวชเข้ า, เามาบวชท่องคาถาสองบรรทัดนเนี่ยเดือนนะจำไม่ได้สักทีบอกก็บอกว่าท่านรรมะแค่นี้ท่านยังจำไม่ได้ความเจริญในาศาสนาจะมีได้อย่างไรสึกไปเถอะก็ไล่น้องชายไปสึก น้องชายก็ไม่ยอมศึกเพอยากจะบวชเพราะมีอัธยาศัยที่จะบวชนี่วันหนึ่งเนี่ยนะก็หมอชีวกนนี้มนพระไปฉันที่บ้าน500ร้อยรูปพระพี่ชายเนี่ยนะพระมหาบรรทงเนี่ยรับให้หมดเว้นบอกไม่รับแต่รูปเดียวคือจุลบรรทงเนี่ยนะไม่ให้ไปเพราะว่าตัวเองถือว่าเป็นคนศึกแล้วในสายตาพระพระมหาบรรทงถือว่าน้องชายนี่ศึกไปเรียบร้อยแล้วไม่มีคุณสมบัติอะไรพอที่จะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเลยท่องอะไรก็ไม่จำเขาว่างั้น ท่านก็เสียใจมากตอนเช้ามาคิดว่าพี่ชายเนี่ยไม่รับกิจนิมนต์ให้เราเราก็ไม่รู้จะอยู่ทําไมเราก็ไม่เจริญแน่ในาศาสนาพี่ชายเราพี่ชายเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รับกิจนิมนต์ด้วยเป็นพระอรหันต์ด้วยนะพี่ชายนะี่ยอย่าไปคิดนี่นะคือคือก็เห็นว่าถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จะบรรลุได้ยังไงอ่ะเสร็จแล้วตอนเช้ามืดพระพุทธเจ้าก็แผม่มหากรุณาสมาบัติยานก็พระจุลบรรทกเนี่ยเข้าข่ายพระยานเสร็จแล้วพระองค์ก็ไปเดินจงกรมรออยู่หน้าวัดเลย เดินจงกรมรอที่หน้าวัดเยพระจุลบรรทูก็ร้องให้แต่เช้าเมื่อจะไปศึกแล้วจะไปศึกอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านกับคุณตา